بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة وسلام ا ل على شرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان اليوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في سكان س 0 يوم แรก م ذو الحج ط ل ع ت و عيد ا ل أ ض ح ى ديحان ون パイ، لَوْ أُزَعَكَ ج َ ت ر ّ م ت و ا เตรียมตัวไปสู่เทศการต่อจากนี้ระหว่างที่มุสลิมเตรียมตัวระหว่างทเทศการนีมันเหมือนเป็นช่วงพักฟืน้นเพราะในช่วงเทศกาทํารมบิดานนี้เราต้องทุง่มเทขยันเต็มที่ จึงมีเหตุผลต้องออกแรงต้องเหน็ดเหนื่อยแล้วพอเทศกาลมันหมดไปแล้วเนี่ยเราก็จะพักผ่อนแต่จะพักผ่อนแบบไม่ทำอะไรเลยมันจะเป็นภัยต่อความตั้งใจในการทำความดีในเทศากาลต่อไปเหมือนคนดีเขา ตั้งใจออกกําลังกายจะได้รักษาสุขภาพขพราะกะว่าอาทิตย์ละอาทิตย์ละสองครั้งไปยิมไปฟิตเนสหรือไปวิ่งแบบเต็มที่นะแต่ระหว่างแต่และสองวันนี่รับไม่มีอุ่นเครื่องไม่มีวอร์มบ้างไม่เมียอะไร นอนอย่างเดียวกินอย่างเดียวสงวันที่ออกกําลังกายก็ไม่มีประโยชน์ถึงจะจะไปออกกําลังกายในช่วงสองวันนี้ออกกําลังกายด้วยอาการที่อ่อนเพียเดอร์มดอนและก็สิบวันแรกของสุนทรียเนี่ก็เป็นสองที่สาการ์จำไว้ดีนะสองที่สาการที่สําคัญที่สุดในปีไม่มีความประเสริฐ กระดิ่งที่เป็นชิ้นเป็นค้อนเน่ยเป็นก็เป็นกำอะเริ่มมาตอนสามวันสัาในิวันรวมแล้วระหว่างนั้นเน่ยมันก็จะมีอะไรว่าเทศกาลเล็กๆน้อยๆเช่นสิบมฮัรรอมินบีไม่มีนะสิบอรบีอะอวเนบไม่มีนะ หรเนี้ยอะไรอ่ะ Happy New y e r h a p p h i j a r ใหม่นี่ก็เกมาลสติกรรมมา a p i New e w y e r h สติกรมมาใหม่เหมือนเหมือนปีใหม่นูนเยคือมุสลิมาที่จะ สร้างความภูมิใจให้ตัวเองโดยหยิบยืมหยิบยืมกระแสนิยมจากคนอื่นทั้งนั้นที่ตัวเองก็มีของตัวเองนะครับสอมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วแต่ความอปมงคลของของบินอาเนี่ยว่ามันจะเขี่ยให้สุนทรออกไปอย่างหนึง่งคือทาบินอาอย่างหนึง่งมันต้องมีสุนทรไปอย่าง พอเราไปฉลองฉลองที่ศึกการต่างๆที่ไม่ไม่ใช่ที่ศึกการที่มาจากคาสั่งสอนการฉลองในที่ศึกการที่มันมีที่ไปที่มาตามบทบัญญัติเนี่ยมันก็เลยไม่มีรสชาติไม่มีรสชาติฉลองมาลิศฉลองปีฮิจรร้อนใหม่เนี่ยสังเกตดูนะโอ้โหอย่างอลังการเลยอลังการจริงๆย่างมาลิดนี่อลังการมากเลยนะ อลังการถงขนาที <lit> ่ถ้าใครไม่ฉลองด้วยนี่มีเงินด้วยนี่มีมีชุดงนด้วยมีชุดต่อว่าด้วยไม่ไปเหรอแล้วทาไมไม่ไปอะไรี่มีแบบนี้แต่ลองดูเไอ้ไอ้ดุลฟตรอดุลอัาอะไรอย่างเงี้ยให้มามีติ้งกันหน่อยดิทไมอะมีอะไรอะอดุลฟตรอดุลอัฏฐานี่ไม่ได้อยู่ในบริบท ไม่ได้อยู่ในในตารางเรื่องนี้ในด้านอรารยธรรมสังคมมุสลิมเนี่ยดูเหมือนว่ามันเป็นจุดบอดคนเขาไม่ค่อยมองเห็นว่าว่ามันโ่มันเป็นข้อตำหนิเป็นข้อ ด, ด้อยเป็นการพ่ายแพ้ของของมุสลิมต่อสิ่งแปลกปลอมที่ไม่มีที่ไปไม่มีที่ไปที่มาในหลักการศาสนา ก็ขอให้ให้พวกเราได้รับการตอบรับแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจาก Allah s u b า a n a h u Wa Taala ให้ชีวิตของเรานี้เป็นชีวิตเหมือนชีวิตที่ท่านดะบีได้บอกว่า Allah Subhanahu Wa Taala โปรดปรานลอ l a h ให้บุรราะห์และมุรดะห์โปรดปรานคนที่ เดินทางและพักผ่อนพักผ่อนแล้วเดินทางต่อมีความตอนเนื่อไม่ใช่เดินทางตลอดเวลาและไม่ได้พักผ่อนตลอดเวลาขอให้พวกเราได้มีกําลังใจในการทำบิดามีความสุขมีความสนุกในการรับใช้คาสั่งสอนของเราสุภาพนวตา ชีวิตของเราเนี่ยจะมีจุดเด่นหรือความสุขหรือเรื่องเรื่องที่มันน่าภูมิใจหลายอย่างแต่ความสุขในอิบาดะเนี่ยมันจะเป็นมากรวัดถ้าเรื่องอื่นนี่สนุกเต็มที่แต่พอ ม, มาถึงอิบาดะนี่มันไม่สนุกมันไม่มีความสุขนั่นคือจุดคือจุดที่แย่ที่สุด สิ่งที่อาที่สุดมันอาจจะไม่แปลกนะครับว่ามุสลิมอาจจะมีกิจกรรมอะไรที่ไม่ใชกิจกรรมศาสนาและมีความสุขมีความสนุกในเมื่อมันไม่บาปก็ไม่เป็นไรแต่ควสนุกสนุกกับทุกเรื่องทุกกิจกรรมแต่มาถึงเรื่องไอบาดาเนี่ยทำแบบมีความเบื่อหน่ายทําแบบไม่มีความกระตือรือร้นทําแบบไม่สม่ําเสมอนี่ทุกคัญ ทำใหบาดาไม่สม่ำเสมอทำบา ง, ท, งทิ้งบางหรือทำโดยไม่รู้เป้าหมายโดยไม่ไม่เห็นคุณค่าไองบาดานะ่ะอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีเป็นสัญญาณที่ต้องต้องเดินสติพวกเราทุกคนกมาสุรสตอตวานะครับในอายะก่อนหนะ้านี้ในอายะส2สิบสอง ที่ Allah سبحانه และ تعالى ไม่ตําหนิกลุ่มมุนาฟิกีนที่ไม่ได้ออกไปสู้รบกับท่านนบีสุลต่าละฮะลยอิอุสสลัมตามที่ท่านนบีได้เรียกร้องและตามความต้องการของสถานการณ์ที่มีศัตรูมาบุกรุกแล้วก็เป็นภัยต่อแผ่นดินแล้วเนี่ยบอกแล้วว่าเริ่มเริ่มต้นละในสุรัสอัตเตวะเนี่ย ที่จะมีการแฉและเปิดเผยพฤติกรรมของมุนาฟิกีนถ้ามันเป็นการเดินทางสั้นๆเป็นเรื่องกิจกรรมเล่นๆเล็กๆน้อยๆเนี่ยเขาอาจจะไปกับท่านนบีแต่เนื่องจากว่าเป็นการทุ่มเทลงทุนเดินทางไกลเนี่ยเวลากินเ้าจะต่อเลยหกก็เขาก็ไม่เอาและนี่คือสัญญาณสาคัญระหว่างมุมินกับมุนาฟิก มุ่มิจริงใจมุนอาฟิกไม่จริงใจระหว่างคนจริงใจกับไม่จริงคนจริงใจหนึ่งเพื่อนที่จริงใจเนี่ยทุ่มเททุ่มเทเราเดือดร้อนเราต้องการความช่วยเหลือเนี่ยเขาเขาช่วยเต็มที่แต่พี่เพื่อนแต่ไม่ไม่จริงใจอันนี้ไม่ได้เชิงตำหนินะนี้อันนี้แค่อธิบายระหว่างเพื่อนที่ไม่จริงใจเพราะเพราะการที่จะมีเพื่อน การที่จะมีเพื่อนจริงใจและเพื่อนไม่จริงใจนี่อันนี้ก็เพื่อนธรรมดาไม่ใช่เพื่อนทุกคนต้องเป็นคนจริงใจกับเราไม่ใช่เพื่อนทุกคนที่เราต้องคาดหวังว่าเขาต้องจริงใจกับเราถ้าไม่จริงใจก็แสดงว่าไม่เพื่อนไม่เพื่อนเผมเคยอธิบายแล้วว่าแบ่งระดับระดับเพื่อนมีเพื่อนจริงใจจริงใจงกี่เปอร์เซ็นต์ก็แบ่งวงในวงนอกของเพื่อนนี่มันก็ไม่เท่ากัน คนที่จะอยู่วงในของเพื่อนเราเนี่ยที่จริงใจมากเนี่ยใกล้ชิดกับเรา mm hmm. ก็เหมือนกันแหละโู mm hmm. มนาริกนี่เขาอ้างว่าเป็นมุสลิมแต่ความจริงใจของเขาเนี่ยที่จะพิสูจน์ว่าเขาจะอยู่ในวงในกับท่านนบีสุลานอะลัยซัลลัมหรือไม่เพราะท่านนบาีต้องการความช่วยเหลื อ, เ, อเขาก็นี่นีออก แล้วมาขออภัยจากท่านนบีสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวสัลลัมที่จะไม่ออกไม่ออกไปสุรบกท่านนบีสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวสัลลัมนึกภาพนะนบีกาลังประกาศให้อาลจ ihad อามะฮามะสูรบกันมามีศัรูกาลังบุกรุกภัยอ่ะมันเป็นภัยภัยใกล้ชิดมาก คนส่วนมากในมาดีน่าก็นอนเตรียมตัวแล้วนุ่ก็ไปเอาอาวุธเอาคนนุ่งก็ไ ป, ไปจัดเสบียงมีหนามซ้ำยังมีคนจากต่างถิ่นนอกจากมาดีน่าเนี่ยมาสมทบด้วยแต่มีบางกลุ่มที่มาดีน่านี่ลองนึกภาพนะั่นแหละบีอยู่ที่มสซิดนี่กําลังเตรียมบัญชาการเรื่องออกสงครามสงครามตะ บ, บุกว่ามีบางกลุ่มนี่ทยอยมาสวี่ครับ มาอับจริงๆไม่ไหวไม่ไหวเหตุผลของแต่ละคนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวสุว่าจะที่บายพราะมาขอมามาขออภัยจากท่านนบีว่าจะไม่ออกสู้รบกับท่านนบีสุลต่านละอเลสัลลัมด้วยเหตุผลดังๆนี่นะนบีก็ให้อภัยทันทีคือลึกๆทีนบีรู้รู้ว่าไม่ควรให้อภัยจนกว่าจะสืบสวนจริงว่า เหตุผลของเขาเนี่ยเป็นยังไงแต่เน บ, บีวินิจฉัยเองวินิจฉัยเองว่าเออไม่ต้องปวดหัวพวกนี้มาหนูก็ไงสืบสวนนู่นนี่ไม่ยุ่งยานบีว่าจะไปไหนก็ไปโดยที่น บ, บีไม่ได้รับยังไม่ได้รับอนุญาตจากอัลลอฮสุภาหนะวัลอที่จะปล่อยเขา ให้อภัยเขาอะไรนะกฎหมายอะไรนะที่เขากระทำการอะไรนุสกรรมโทรศกรรมอะไรนะนิรุสกรรมทําได้ไหมถ้าไม่ผ่านสภาทาําได้ไหมไม่ได้ใช่ไหนบีจะยกโทษให้เขาโดยที่ไม่ได้ไม่ได้รับอนุญาตจากอัลลอฮ์ น, นี่ไม่บังควรไม่บังควรเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ ที Allah ่ a l l อนุญาตให้ท่านนบีสลนัลลอฮลัลลิชชแต่โดยหน้าที่ของท่านนบีแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างท่านนบีต้องรับพระอนุญาตจาก Allah าะมันตึกอานิลเฮวานบีจะไม่พูดอะไรนอกจากว่าไม่พูดอะไรจากอารมณ์นอกจากว่าจะต้องมาจาก a l l อินหวอิลลาวะฮยูยูฮา ตลอดชีวิตของท่านนบีเนี่ยที่ทำหน้าที่เป็นนบีนะทุกอย่างเลยอะต้องรอเนี่ยจงยุบเนสงอย่างเรื่องนี้พวกมูนาฟิกที่มาขอออัยไม่ออกมาสู้รบกับท่านนบีนบีก็ยกโทษให้แล้วเรื่องที่สองในสงครามบาตุนที่เฉลยของของกุเรชเนี่ยเขาบอกว่าอย่าได้ประหารเราเลย อย่าได้ประหารเราเลยให้ให้ไถ่ไถ่ตัวดีกว่านบีก็เลยอนุมัติให้ไถ่ตัวเลยนละเป็นคำปรึกษาของอบดุบคารความเห็นของอัลมาดุิเนี่ยเขาตอบอยนี้ก็เหยืประหารเลยครั้งแรกนี่พวกนี้นี่มันวางแผนจะได้ฆ่าฆ่ามุสลิมมาเท่าไหร่แล้วให้ประหารเลยจะได้จะได้เป็นเป็นอุท่าหอนแต่นบี รีบด่วนให้น้หนักกั บ, บคันรึกษะมาอุบัคช่านัน้นอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ติท่านนบีในสองเหตุการณ์เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่บังควรที่ในไม่บังควรรีบทาํบบาก่อนที่จะรับไหวอยู่จากอัลลอฮฺ سبحانه แต่การที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จะติท่านนบีนี่เป็นเรื่องไม่เบานะ นแค่าวะฮิยุนีมาอิกรบิ سم ิรับบิคัลที่ خلق แล้วกูอ่านก็เงียบเงียบไปเป็นอาทิตย์หลายอาทิตย์นบีนี่เครียดมากเลยแค่กูอ่านไม่ต่อเนื่องนบีเครียดแล้วแล้วถ้าโดนติล่ะอันนู้นอันที่สงครามบัตรุนน่ยปีที่สองนี่ตอนที่ให้เลยนี่ยให้ถ่ายตัวนี่ นที่จะรับว่าอยู่จากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى และหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็ติท่านนบีติท่านนบีในเรื่องนี้ถึงขนาดขนาดตินิดหนึ่งขนานบีเรวบักเนี่ยร้องไห้ร้องไห้แล้วอัลอดนข้อตอบดเข้ามาอัลอฮ์ข้อตอบที่แนะนำให้ประหารชีวิตน่ะเฉลยเนี่ยเข้ามาตกใจเห็นท่านนบีเลวบักร้องไห้ ถามท่านนาบีว่ากันร้องไห้เพราะอะไรผมจะได้มีความรู้สึกร่วมแล้วก็ร้องไห้ด้วยท่านนาบีก็เลยแจ้งว่าในที่อลัลลอฮ์ติติ๊ดเดินๆคราวนี้ก็เหมือนกันแต่อลัลลอฮ์ไม่อยากให้ท่านนาบีเสียใจเพราะมันท่ามกลางสถานการณ์สงครามแบบนี้เนี่ยแม่ทําเนี่ยไม่ควรที่จะสะเทือนใจมากเกินไป الله قال شايس منون تين منون يسود كبت ا ن ب ي صلى الله عليه وسلم عاف الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين ا ل ل ه ن ن بيضون أحياء ให ك جا ؟แล้ว أنيهو هم แกไปแล้วแล้วมัแล้วนี่ยนตงเนสีน้เงินนะแล้วให ا ء แล้ว ลิม่าอดินต์ละาใหมเพราะเหตุใดเล่าจ้าจึงอนุมัติให้แก่พวกเขาอ น, นิติแต่ให้อภัยก่อนปกติแล้วนี่ถ้าเราจะติจะตำหนินี่มันต้องมาก่อนให้ทำไมทำ่างี้เอาไม่เป็นไรฉันไม่ไม่ ด, ดใจอันนี้มันไม่คุยมีไงให้ฉันไม่ติดใจนะอะไรลหรอ ไม่ค่อยมีไงคนนี้ทำแบบนี้พอคนที่อยากจะตำหนินี่ก็คือใจของเขานี่ลิ้นมันคันอยู่แล้วนี่ท่านต้องขอหน่อยคอตํำหนิเขาหน่อยอันนี้ปกติแล้วเขาบอกว่าอัลลอฮ์กับท่าน น, านบีซอลแลห์นี่คือนี่คือรุ่ดฟุลมุฮ่าตะบะความการติการติที่นิ่มนวลที่สุดแสดงถึง ความรักที่อัลลอฮฺซุบฮฺฮะนฺวะตะลัลมีกับท่านนบีซอลล๊ะละอาเลาะสัลลัมใน่านะทีเป็นเป็นรสูลที่รักยิ่งของอัลลอฮฺซุบฮฺฮะนฺวะตะลลไม่ให้ท่านนบีสะเทือนใจแม้แต่น้อยอาฟัลลออัลลอให้ไปแล้วะไม่ต้องคิดมากเลยนะแต่ทำไมอ่ะทำไมยกโทษให้เขาทำไมอนุญาตทำไมอนุญาตให้เขาให้เขาไม่ไม่ต้องออก แล้วก็ให้อภัยควาไม่ถูงออกไปสู้รบ حتى يتبين لك ด ل ذ ي ن صدقوا ล ت ع ل م الكاذبين เหตุผลที่อัลลอฮฺบอกว่าอย่าพึ่งไม่ควรที่จะไม่น่าจะไปไปอนุญาตให้เขาให้เางดการออกสู้รบกับท่านเนี่ยทำไม่ก่อนกว่าจะได้บระจาคแก่เจ้าก่อน ซึ่งบรรดาผู้ที่พูดทิิงและจนกว่าเจ้าจะได้รู้บรรดาผู้ที่กล่าวเท็จท่านไม่น่าจะอนุญาตให้เขาเนี่ยงดการออกสู่จนกว่าจะได้รู้แล้วก็สืบสวนว่าใครเนาะที่ให้เหตุผลอ่างนูน่นอ่างนี้แล้วเขาพูดจริงหรือเปล่าและใครเนาะที่ให้เหตุผลว่า ไปไม่ไหวไม่อยากจะไปมีปัญหามีอะไรจะได้รู้เขาเป็นคนสัตด์จริงกับท่านนบีสุลลัลละหรือเปล่าอับดุลลอฮฺอับดุอาบบะสได้บอกว่าจริงแล้วท่านนบีสุลลัลละวะเลยวะสัลลัมก่อนสุรัตอัตตะวานีเนี่ยไม่รู้ว่ามัดินาเนี่ยจะมีคนมุนาฟิกที่ไม่หวังดีกับอิสลามไม่หวังดีกับท่านนบีขนาดนี้คือหมายถึงว่า ท่านนาวีนี่ซื่อสัตย์มากกับมุสลิมพรามูนาฟิกนี่อ้างว่าเป็นมุสลิมไงท่านเบี้ไม่ได้คาคิดหัวจะมีด้วยนะคนที่ขนาดนี้เนี่ยเอาอะไรในหัวใจที่ไม่หวังดีมาแฝงไว้อยู่ในหัวใจแล้วก็มาหน้าวายแบบเนี้ท่านเบี้ยไม่คิดแบบนี้จนกระทั่งสุรเดชวันถูกประทัดลงแล้วก็เฉะแล้วก็แฉะ จึงเหตุผลว่าเออท่านนบีซอลลัลลอฮุซันละมื่ไม่ได้ทําบาปไม่ได้ทําผิดที่ยกโทษในพวกเขาก่อนที่จะรับวายอยู่เพราะท่านนบีซื่อตรงกับเขาไงเขามาขอมาขออภัยหนึ่งจะว่าออกไม่ไหวไม่มีความสามารถอย่างนั้นนนบีก็เลยยกโทษให้ตามอนุญาตให้ไม่คิดว่าเขาจะโกหกไม่คิดว่าเขาจะมาตอนไหนกับอัลลอฮ์กับมรซูลแบบนี้แต่มันก็ให้เห็น สิ่งแรกที่เราต้องคิดแล้วก็ไม่ลืมนะนบีนี่มีชีวิตอยู่วะฮุยูุคุรอ่านยังก็ลังถูปฐมมาสดๆนะแล้วยังดันมีมุนาฟิกอยู่ด้ว ย, ยขนาดมีนบีนะมีนบีนะมีกุรอ่านด้วยแล้วก็ยังมีมุนาฟิกด้วยเ ป, เป็นไปได้ไงแล้วถ้าสังคมไม่มีนบีไม่มีคุรอ่านถูปฐนลงมาสดๆเนะี่ย แต่ไม่มีมุนาฟิกใช่ไหมมีแน่นอนมีแล้วก็เยอะ ก, กว่าด้วยแต่เราก็ต้องใช้มรารยาทของท่านนาบีและมรารยาทของคุตั้นกับพวกมุนาฟิกการกล่าวหาการปักปําใส่ร้า ย, ายโดยไม่มีหลักฐานการที่จะประจานประจานหมายถึงบุคคลเอ่ยชื่อเนี่ยอันนี้ไม่มีในคุตัานจะไม่มีประจานมุนาฟิกที่ไม่มีเอ่ยชื่อแม้แต่คนเดียว แต่ประจานพฤติกรรมพอเราพูดถึงมุนาวิกที่กันะหว่างมุนาวิกกับมุเอมินในที่ทีนนบบท่นบีจะต้องตรวจสอบนี่มุนาวิกนี่ก็คือคนที่กล่าวเท็จและก็มุเอมินนี่ ค, คนที่พูดจริงสแสดงว่าเป็นสนัญลักษณ์และจะเป็นสัญลักษณ์ระหว่างมุเอมินกับมุนาวิกนี่ก็คือพูดจริงและก็พูดไม่จริง เรื่องที่ท่านนบีสัลลัลลอฮุวาลลอฮิซซัลลัมนี่ยนะนะฮะดีบันบุคอิเลมุสลิมอายะตุลมนาบิกซัุมนาิกนีักน่งนันนะ إذاحدثكذب. มนาบิกนี่มาพูดแล้วนี่โกหก إذا. إذا เนีถ้า حدث ถ้าพูดนะโกหกแปลว่าอะไรแปลว่าพูดจริงไม่เป็นเพรว่าส่วนมากของวาจาเขาเนี่ยมุทิ แต่มุมินอาจจะโกหกแต่นับได้ น, นับคำคำโกหกเนี่ยนับได้แต่ถ้าถึงขนาดที่คุณนับไม่ทุ่นโกหกตลอดเลยตั้งแต่ออกจากบ้านยันกลับมาอยู่ที่บ้านอยู่กับครอบครัวโกง ห, หมดเลยอันนั้น อ, อันนั้นนะอันนั้นน่ากลัวซื้อขายค้าขายก็โกหก ทำอะไรก็โกหก إذا หดละเมื่อพูดแล้วนี่ก็จะโกหกพูดจริงไม่ได้ขันลิ้นแสดงว่ามุมินโกหกได้ไหมโกหกได้เพาะมีฮัดีสุบท์นึงสามารถถามท่านนบีสอดุลลาห์อะลัยฮสเซลลัมมุมินนี่โกหกมั้ยโอ้มุหมินไม่โกหกนี่หมายรวมว่ามุมิน ไม่โกหกเป็นนิสัยหรือเป็นนิจสินเป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องสันดานนิสัยส่วนตัวเขานี่โกหกมุมินจะเป็นคนโกหกเป็นคนขี้โกหกไม่ได้แต่เป็นไปได้ไหมว่ามุมินอาจจะโกหกบ้างเป็นบางครั้งบางคราวได้และสัญญาณว่าเขาเป็นมุมินเนี่ยนว่าเขารู้สานึกว่าเขากโกหกและจะเตาบัตต แต่มุนฟิกนี่มด้ถ้าหด้วยกันก็โกกสรุปคือกันโกหกอาชีบบางอาชีพทีจะนาละนคือการโกหกช่นอาชีบสนยปกรรมความงามทั้งคนที่ทาแลวก็คนที่ให้เขาทามันเป็นอาชีบโกหก แล้วกกหกแบบเป็นเป็นอาชีพตลอดเวลาก็หน้ามันเป็นแบบนี้นยไยไม่เอา บ, บอายุห้าสิบแล้วนี่เนะี่ยให้ดูเหมือนยี่สิบแล้วเขาสอนฝึกฝนให้คนนี่เชื่อในคำโกหกคำโกหกโตโตแบบนี้นะอยากให้ผิวเด้งไหม แล้มันเคยเด้งไหมเนี่ยถาแล้วมันเด้งเลยนี่โกหกรู้ว่าตัวเองโกหกทำไมเขาบอกว่าอย่าถามเรื่องอายุใช่ไหมเรื่ออายุอย่าถามทำไมเ้าต้องโกหกเนี่ยอายุอายุหาสิบแล้วนี่อห้าสิใครจะมาแต่งงานกันจัดสาโกหก แม้ว่าจะเป็นชายหรือเป็นหญิงถ้าใช้กลยุทธ์ในการเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตเนี่ยที่ไม่ได้เป็นตัวตนนะสมัครงานทำอะไรเป็นเฮ้ยเป็นทุกอย่างทุกอย่เหระทำอะไรได้อะเอะ้บอกมาเลยทำไหมไปขอสาว อ้าวมีตังเท่าไหร่ในบัญชีจบอะไรมามโกหกสาวก็เหมือนกัน อ, อายุเท่าไหร่เคยแต่งงานไหมอะไรเงี้ยก็มีการโกรหกเรื่องนี้เนี่ยมันอยู่ในคือปัญหาเนี่ยมันอยู่ในทุกทุกส่วนของสังคมท่านนบีนสุลล่ า, า, ลลาม ไม่ให้เรามองว่าความเป็นมูนาฟิกหนีดจะต้องเป็นมุนาฟิกแบบร้อยเปอร์เซนร้อยเปอร์เซ็นถึงจะเรียกว่าเป็นมูนาฟิกหมนายวีจึงบอกว่ามูนาฟิกนี่เป็นเป็นเป็ น, ปนภัยร้ายรแรงนะมันเหมือนเชื้อโรคบางคนเนี่ยเชื้อนี่เต็มตัวจนต้องต้องเข้าไอซแล้วเหมือนโควิดจำได้ไหมเชื้อนี่เต็มปอดแล้วหายใจไม่ต้องเข้าไอซแล้ว แต่บางคนเนี่เป็นโควิดนิดหน่อยแล้วก็เชื้อนี่มันไม่ไม่ไมแรงมากก็ยังยังใช้ชีวิตธรรมดายังหายใจธรรมดายังแข็งแรงอยู่บางคนนี่มีเชื้อของความเป็นมูนาฟิกน บ, บีบอกถ้าใครที่มีลักษณะของมูนาฟิกหนึ่งลักษณะก็ถือว่ามีลักษณะของมูนาฟิกนั้นๆน่ะก็หมายถึงว่ามีส่วนเปอร์เซ็นต์นั้นๆน่ะของมูนาฟิกและแต่ใคร ใครมีเปอร์เซ no ็นต์สูงหรือเปอร์เซ็นต์เต็มของมุนาฟิกเนี่ยนบีบอกว่าการมูนาฟิกก้นขอหรซันนีฟังถ้าเต็มที่นั้นนะก็คือมูนาฟิกเต็มตัวเลยในการสํารวจตัวเองนะเราจะไม่รอว่าว่าจะต้องแบบว่าเป็นมูนาฟิกเต็มตัวมูนาฟิกเต็มตัวนี่ก็คือข้างในเนี่ยไม่มีอิมานแล้วไม่เชื่อในอัลลอฮ์แล้วแต่ข้างนอกเนี่ยเปิดเผยอิสลามข้างนอกนี่เป็นมุสิมแต่ข้างในเนี่ยไม่มี และในปัจจุบันเนี่ยในมุมมองของผมนะสองกลุ่มสองกลุ่มที่มีลักษณะความเป็นมุนาฟิกสูงสุดหนึ่งสื่อพวกนักสื่อสองนักการเมืองชีวิตของเขานี่ขึ้นอยู่กับกับการโกหกขึ้นอยู่กับการโกหก ก็แน่นอนมีเสือ่อมผมก็เออมีนักการเมืองคนนี้ก็ใช่นีคือทุกอาชีพนี่มีคนดีแน่นอนแม้กระทั่งตะกี้ผมพูดถึงเรื่องสัญญกรรมมันนะมันมีบางส่วนของสัญญกรรมที่ศาสนาอนุญาตให้ทําก็มีก็มีนักสัญญกรรมที่เขาอยู่ในกรอบคำถูกต้องตามหลักการศาสนามีแต่ผมพูดถึงภาพรวมอะภาพรวมอะสัญญกรรมความงามอะเนี่ยที่เห็นกันเนี่ยเขาทําตามหลักการศาสนาหรอ น manager manager, ัการเมืองเนี่ยที่เขาถือเล่นการเมืองเนี่ยส่วนมากเนี่ยเาซื่อสัตย์สุจริตแต่ส่วนมากเนี่ยซื่อสัตย์สุจริตทำเพื่อประชาชนจริงจิงเหรอมันหายากนะมันก็มีแต่ก็มีนะสหบาลในอุทาห์ในเรื่องบทเรียนในสุรตะบ้านลักคำเตือนหลงท่านอับดุลลอฮสัลลัลฮฺวะเพลาะ ให้มองตัวเองนะว่าจะมาเรื่องความเป็นมุนาฟิก่องไหนสํารวจตัวเองนะไม่ใช่เอาเรื่องนี้เนี่ยเป็นเครื่องมือไปว่าคนอื่นเฮ้ยไอ้นี่มันมุนาฟิกหรือเปล่าเฮ้ยนี่มันมีลักษณะมันพวกมุนาฟิกหรือเปล่าไอ้มุนาฟิกนี่มีสมัยสหบ้านนี่เน่ไม่มีใครมาเรื่องกล่าวหาชอบกล่าวหาคนอื่นส่วนมากเนี่ยเขาก็จะมาตรวจสอบตัวเองมากกว่ากังวลว่าตัวเองเป็นมุนาฟิกมากกว่าที่จะ มากกว่าจะเป็นห่วงคนอื่นว่าเป็นมุนาภิกตักวตัวเองเป็นมุนาภิกหรือเปล่าซึ่งในอายะนี้เนี่ยที่ว่าเจ้าจะได้รู้จนกว่าจะได้ประจักษ์แก่เจ้าก่อนซึ่งบรรดาผู้ที่พูดจริงมุสลิมเนี่ยต้องคือต้องสะท้อนถึงหลักการที่อยู่ในตัวเองเป็นมุ่งมินเนีเป็นมุสลิม คนอื่นต้องสัมผัสในเรืองนี้เป็นมุสลิมอ๋อมุสลิมอะคำไหนคำนั้นน่ะถ้าเป็นมุสลิมแล้วคำไหนคำนั้นน่ะมันช่างอปัปยศนะถ้าไม่ได้เป็นเช่นนั้นอ๋อมุสลิมอะยิ่งถ้ายังยังเอาเอาคาพูดของศาสนาเนี่ยมาพิสูจน ความตอแหลของตัวเองในประเทศอาหรับนี่เป็นที่รู้กันนะถ้าเราตกลงอะไรกับเขาแล้วเขาบอกว่าอินชาอัลลอฮ์นี่สแสดง ว, ว่าไม่ทำอัลลอฮ์นี่แปลว่าไม่ทาจนฝรั่งนี่รู้เลยฝรั่งนี่ไปทำธุรกิจในประเทศอาหรับนะพออาหรับบอกอินชาอัลล์ไม่เอาอินชาอัลอเขาไม่ได้เม เขาไม่ได้เอาศาสนาอยู่แล้วแต่หมายถึงว่าอคําเนี้เจอมาแล้วเนี่ยจากพวกคุณน่ะเอามาอ้างหรือเอามาใช้เป็นเครื่องมือในการหลอกลวงคนอื่นเจ็บใจไหมแล้วมันจะบาปขนาดไหนอะถ้าเราเนี่ยเป็นคนที่ทําให้คนเนี่ยเข้าใจคนอื่นี่เข้าใจศาสนาคาดเคลื่อนแบบนี้พฤติกรรมของเรา วาจาของเรานี่มันฟ้องตัวเร า, เ อ, าอย่าลืมนะว่ามารายาทของมุสลิมความสัจริงของมุสลิมนี่แหละที่ทาให้คนเนี่ยทึ่งในหลักการในคําสั่งสอนของศาสนาเพราะทุกคนเนี่ยมีหน้าที่มีหน้าที่ในในการที่สํารวจตัวเองในการที่จะตรวจสอบตัวเองตลอดเวลาให้คะแนนกับตัวเองตลอดเวลา ถ้าเราศึกษาเรียนรู้กุตตานแล้วก็เรียนรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นสมัยท่านนวีปแล้วไม่ได้บทเรียนในการที่จะมาขัดเกามาพัฒนาตัวเองมายกระดับสถานะความเป็นผู้ศรัทธาของตัวเองการเรียนรู้กุตตานมันก็ไม่มีประโยชน์เรียนรู้กุตตานมุสลิมส่วนมากนี่ก็รู้นะมีมุนาฟิกมีมุมินมีมุมิมิมส่วนมากก็รู้เนื้รู้คํานี้นะมุสลิมส่วนมากนะรู้นะมีมุนาฟิกเนี่ยมุมินนี่คืออะไร แต่การที่จะรู้นี่ข้อแตกต่างระหว่างโมเมนกับโมนาฟิกแล้วก็เอามาเอามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชีวิตของตัวเองนี่อันนี้แทบแทบมันไม่มีแทบมันไม่มีมมมคือมันไม่มีหลักสูตรหรือไม่มีขั้นตอนที่จะทำให้เราได้ประโยชน์จากเครื่องนี้ส่วนมากนี่เราจะใช้คาว่ามูนาฟิกนี่เป็นเครื่องมือในการเล่นงานคนอื่นเล่นงานคนอื่น เริมรร่มละสุลต่านบ้านจะเริ่มละที่จะเปิดเผยพฤติกรรมของมุนาฟิกินที่จริงเนี่ยที่มาขออภัยจากท่านนบีมาขอมาอัฟจากท่านนบีที่ไม่ได้ไปสู้รบมันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นกับคนที่เป็นผู้ศรัทธาแล้วจสต้อดินุกันล้วีนอยู่มินูนะเปลลอฮ์และยามลาครอียุจาฮิดูแอบอวาลิมอันฟุสิม Allahu alayhum bilmuttaqin. บันดาบุดิสต์ถาต่อ a ลลอ h แล้วนันป็ระโลกนั้นจะไม่ขออนุญาตมคือไม่ขออนุญาตต่อเจ้าต่อท่านนบีในการที่พวกเขาจะเสียสละทั้งด้วยทรัพย์ของพวกเขาและชีวิตของพวกเขาถ่ามังสถานการณ์สงครามนะ และนบีเดือดร้อนะสังคมก็เดืรอนะ้อน่ะมะไม่ราต้องรวมตัวกันจะได้ไปปกป้องจะได้ไปต่อสู้กับศัตรูมันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะคนที่เป็นมุมิมจริงๆน่ะเอ้ยนมีเอ้ ย, อยขอตัวขอตัวขอตั ว, ตวไม่ไม่สะดวกไม่สะดวกไม่สะดวกเหมือนอะไรเหมือนเพื่อนกัน นัดก nah, ันไปกินชาบูเฮ้ยทุกคนต้องออกนะคนละเท่าไหร่ทุกคนต้องออกนะอกินกันกินกันกินกันเละเลยใช่ไหมกินกันเละเลยพอถึงเวลาเวลาใจ่าตังค์ผมต้องเข้าห้องน้ําน่อีกคนหนึ่งดูนิแป๊บนึงฮัลโหลฮัลโหลอีคนนี้ผอก็ไม่อยาก ไม่อยากจะหรืออยากจะให้คนอื่นนี่ได้รับไปเนี่ยสันดานพวกนี้รู้สึกยางไงกับคนกลุ่มนี้ใช่ไม่ได้เลยอีกครั้งหนึ่งจะไปกินชาบูจะเชิญไะมอันนี้ก็เหมือนกันในคือท่ามกลางที่มันเป็นวิกตจริงๆวิกตจริงๆเพื่อนกัน สนิทกันขนาดไหนใกล้ชิดกันขนาดไห น, น, น, ไหนคนนึงเกิดความเดือดร้อนจริงๆเอ้ยมึงรู้เนี่ยกูไม่เคยขอตังค์เลยนะแตเดือดร้อนจริงๆแล้วไม่ขอเยอะนิดเดียวเฮ้ยกนะูไม่มีหรอกทั้งที่เขาร่วมมีนะเฮ้ยไม่มีหรอกจะเป็นเพื่อนได้ไหมเนี่ยต่อไปเนี่ยจะเป็นเพื่อนได้ไหมเป็นไปไม่ได้ผู้สตาราาา์อ้างว่าสัาร์ตอัลลอฮ์ละวันปรโลกก็คือพร้อมแล้วที่จะทุ่มเทเพื่ออัลลอฮ์นบีสูลยมาถึงเวลาที่ต้องทุ่มเทนะ ไปก่อนไปก่อนแสดงว่ญญามันเป็นเรื่องปกติสําหรับผู้ศรัทธาต่อละละวนตปโรโลกเนี่ยที่จะต้องเสียสละด้วยทรัพย์ด้วยชีวิตเพื่ออละละวันเป็นเรื่องปกติเอาเร่งนี้นี่ยจะไม่ดีแล้วก็มาตรวจสอบตัวเองในเรื่องการเสียสละชีวิตเนี่ยเสียสละอะไรบ้างเพื่อละละวันเราอาจจะยังไม่ถึงขั้นที่ต้อง เสียสละเลือดเนื้อเพื่ออิสลามเพื่อรอระซล่มันยังไม่ถึงเวลาไม่ถึงจังหวะยังไม่ครบเงื่อนไขแต่ยังอื่นยังเสียสละได้มีนักวิชาการจะชอบยกตัวอย่างเลือดนี่มันไหลใช่ไมเลือนเลือ ด, เ, อดเสียเลือดเสียเนื้อนี่ไม่ไม่ต้องเสียเลือดหรอก เสียงเหงื่อเหงื่อนี้ออกเพื่ออิสลามบ้างไหมเหงื่อนี้ออกนี่เพื่อเล่นบอลนะเพื่อออกกําลังกายฟิตเนสเหงื่อออกไปเท่าไหร่แล้วเหงื่อออกจะเด็ดเดินธุระไปให้คนนู้นวิ่งเต้นให้คนเออเหนือออหน่อยขนาดไหนเหนือ่อยก็เหนือ่อยทรมานก็ทรมานเสียสละเฮ้ยพี่บอกเลย พี่รู้แล้วว่ายังไงกับถึงไหนก็ถึงกันนี่เพื่อเพื่ อ, อคำนี้เนี่ย เ, เราใช้กันให้มนุษย์ด้กันไม่ได้ไม่เป็นไรแต่พอถึงเวลาดิอัลลอฮฺาระซุน่นอยู่เสียสลาบา้างดิบว่าท้องบวท้องไม่สะดวกเจ็บหัวเขาเนี่ยที่เราเจอกัน วาทํมาทำมาสักหน่อยนึ่งมีน وا. ูนมีนันมีนี่อัลลอฮฺจงบอกว่าอัลลอฮุอัลลอฮฺอัลลอฮนเป็นผู้ทรงรอบรู้ต่อบันดาผู้เที่อัมริ้นอัลรู้รู้ใครที่เสียสลาใครที่ใครที่จะทุ่มเทใครที่พร้อมจะทุ่มเทใครที่ใครที่ตั้งใจที่จะที่จะทำตามคำสั่งอัลลอฮสุบฮานะหุตา إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر و ر ت ا د قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ت ต่จริงที่จ ا ขออนุญาตอนุญาตต่อเจ้านั้นที่จะขออนุญาตต่อเจ้านั้นอนุญาตไม่ไปสู้รบนะคือบรรดาผู้ที่ไม่ศรัทธาต่อ الله لا و ن ب ر ل و นึกภาพในใจเปียบเทียให้เห็น .جهاد และละมาด อจฮัยมันจังหวะน่ยมันนานทีไงนานทีเอาไปจีฮัตนาีขอไม่ไปเนยก็เขาอาจจะไม่สนวกก็เราก็คิดอเอาเออนะาอาจจะมีเหตุผลอ่ะเอาเรื่องละหมาดเอาเรื่องละหมาดทไมขอขอไม่ละหมาดได้ไหมทไมอ่ะไม่ไหวก็ไม่ไม่ยืนก็นั่งดิไม่นั่งก็นอน ถ้านหนกันโอ้ไม่ละหมาดเลยขอได้ไหมนึกภาพไหมเขาไม่ละหมาดเลยได้ไหมก็เนี่ยก็นี่กรเทียนสุขภาพก็ยังแข็งแรงกัน อ, อย่างนี้นตังก็มีฐานะก็มีออกอ ก, กาศไม่ออกได้ไหมอะไรแบบเนี้คำสั่งสอนอิสลามแน่นอนคนที่มีความสามารถศาสนาก็ไม่ได้บังคับอะไรอยู่แล้ว ยากก็เหมือนกันคนที่ไม่คนที่ไม่มีความสามารถจริงๆอัลลอฮฺก็ยกโทษให้อยู่แล้วปัญหาที่เราต้องตรวสอบตัวเองทุกคำสั่งสอนที่เราสามารถทำได้ต้องมีเหตุผลที่ชัดเจนที่เราสามารถไปตอบก็อัลลอุบ س ب ح ในโลกดุนีย์นี้เนี่ยเราจะไม่ปฏิบัติตามคําสั่งสอของศาสนาโดยให้เหตุผลกับคนอื่นเนี่ยแต่ก็โหคนอื่นนี่มันได้แต่วันเกมานี่มันไม่ได้ไม่ละหมาดวันนี้วันนี้พอต้นละหมาดนี่มันเจ็บหัวเข่ามันเจ็บหลังมันโอ้มันปวดท้องด้วยมันหมอก็เลยบอกว่าไม่ต้องละหมาดสิวันนีว่าตอนรุสุจูนนี่มัน ผู้เจ็บตาหมอบอกว่าเฮ้ยถ้าก้มแล้วเนี่ยว่าสูดหดมันก็จําเป็นต้องสุดหยุดสูดไม่ได้ก็เลยไม่ต้องละมาดคือจะมันตอนแหลกกับชาวบ้านนี่ตอนแหลกได้ทั้งชีวิตน่ะนะเออเแล้วถ้าสะดวกแล้วกันแต่ในวันเกียร์ม่านี่จะพิโกหกก็รถเด่งไงไอบาดาเก็เหมือนจิฮันนี่แหละไอบาดาต่างๆโดยเฉพาะฟอรดูก็เหมือนจิฮันนี่แหละ เราจะมีเหตุผลในการละเว้นฟรดูเนี่ยต้องมีเหตุผลที่ชัดไม่ฉช่นั้นเดืดรอนวันเกียรมานีเดือดรอนสุนนาเนยยังยังพอทาเนาไม่ทำก็มันไม่มีบาปอยู่แล้วแต่ยุคสลับนี่แม้กระทั่งสุนนาเนี่ยเขาก็พยายามนะพยายามที่ปฏิบัติสุนนาแล้วจะไม่ททำสุนนาเนี่ยพยายามที่จะมีพยายามที่จะมีเหตุผล ว่าทำไมไม่ปฏิบัติสุนนะชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยเองสุนนะสุนนะฝรดุนี่คนหลังฝรดูนสุนนะถ้าไม่ทําเนี่ยบาปไหมไม่บาปตําหนิไหมโดนตำหนิไมไม่โดนตนําห น, นมิมีโทษไหมไม่มีโทษสลับคนยุคก่อนเนี่ยเขาไม่มองแบบนี้ไเขามองว่าสุนนะในสิ่งที่อร่อยอาสาธรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเชิญชวน เขาก็มองว่าเรลเลชิญชวนก็ควรที่จะตอบรับคำคำชวนของเาถึงจะไม่ได้ทำเต็มที่เนี่ยสุนนะของฟรดูเนี่ยอาจจะไม่ไหวไม่ว่างไม่อะไรสารภาหเดผลนแต่จะทิ้งสุนนะเลยนะนี่อุลมามะบางท่านบอกทิ้งสุนนะเลยนี่เรื่องอาสานี่ทิ้งเลยไม่เอาเลยนะเสียงหนึ่งเสียงที่จะทำให้เราเนี่ยทิ้งฟรดู ในระยะยาวเพราะการรักษาสุน na เนี่เป็นกำแพงป้องกันไม่เป็นไปได้คนรักษาสุน na เนี่มีโอกาสจะทิ้งฟัดดูไหมเคยไหมละมาสุนนะโอละมาสุนนะดูรีดกวันเลยว่าถึงเวลาฟัดดูดูรีไม่ละมาดมีไหมแบบนี้ไม่มีคนที่รักษาสุน na เนี่ยเขาจะรักษาฟัดดูมากกว่านี่มันเป็นกำแพงป้องกัน <laughs> สองส่วนนั้นนี่มันจะช่วยชดคนเรานี่ลําพังฟอร์ดูอย่างเดียวนี่ไม่รู้จะพอหรือเปล่าฟอร์ดูนี่มันจะพอหรือเปล่าพราะตัวฟอร์ดูนี่มันก็ไม่เคยครบถ้วนไงมันไม่ร้อยปร์เซ็นส่นนั้นี่มันชดคนฉลาดนี่ถ้ามีจังหวะอะไรที่จะเสริมเพิ่มเติมก็ต้องทําสิเพราฟอรดูอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอนีนมันเกียร์มะ จดันใหเราเข้าสวรรค์เ น, นี่ย จ, จะไม่พอส่วนน า, า จ, จะช่วยได้บ้างเอาลบอกว่ า, าวคนที่จะมาขออิาไม่ไปสู้รบไม่ไปจหดกับท่านนาบีคือคนที่ไม่ได้ศรัทธาต่ อ, อละวนปรโลกไม่ได้ศรัทธาเน่นต่อละวนปรโลกสองันนี้ก็คือรุกุณ إ ي สอรุห ก, ออกรกูปุณ إ ม م ا ต่อ ละวันประโลกมาลลยกะนบีรัศดุ์ทั้งหลายคำพีและก้อด่าอดอนนี้หประการอรกานุอิมานที่ท่านนบีสอนไว้สองรุกุลเนี่ยคือสองหลักของหกรูุลเพราะฉวนั้นหกรูปุลนี่อยู่กับสอสองรูปุลสาคัญเนี่ยัทธาตลอและวันปรลโลกเพราะเป็นสองลักษณะที่จาแนกชัดระหว่างมุสลิม เลวีมุสลิมศรัทธาต่อ Allah วันปารลกต้องศรัทธาต่อ Allah ตามคุณลักษณะที่มีในบทบัญญัติและศรัทธาในวันปารลกตามคุณลักษณะที่มีในบทบัญญัติถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยถ้าศรัทธาตามตามนี้แล้วเนี่ยนะครับทุกอย่างนี่จะเรียบร้อยทุกอย่างนี่จะเรียบร้อยมารยาทของเรานี่จะเรียบร้อยท่านนบีพูดถึงเรื่องมารยาทต่างๆ ผูพันไว้กับมังกรอานะยุมิโนบิลล่ายวาเยอมิลัผู้ใดที่ศรัทธาต่อร้อนละวันปารโลกจะพูดดีหรือไม่เช่นนั้นก็จะปากปิดปากแสดงว่าการรักษาลิน้นนขึ้นอยู่กับการศรัทธาต่อร้อนละวันปารโลกคนที่ศรัทธาต่อร้อนละวันปารโลกเนี่ก็จะไม่ทุบตีภรรยา ไม่ทําลายคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเขาเพระน บ, บีบอกคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺและอันบรฮฺโลกเนี่ยจะซื่อสัตย์กับเพื่อนซื่อสัตย์กับคนใกล้ตัวสองรูปคนนี้เนี่ยมันจะทําให้มันจะทําให้ชีวิตของมุสลิมของผู้ศรัทธาเนี่ยมีสน่ ไม่ได้มายึงว่าปฏิเสธอีกสี่ลูกคนนี่ปฏิเสธไปเลยแล้วก็ไม่มีไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้แต่ที่เด่นมากเนี่ยสองลูกคนนี้คือสําคัญที่สุดสต้าอัลลอฮ์ละวันประรโลกพวกมุนาฟิกเนี่ยไม่ได้มีเพียงข้อตําหนิเดียวก็คือเรื่องเรื่องปฏิเสธอัลลอฮ์ละละวันละวันประรโลกอย่างเดียวไม่ววััตบบบบุุุุลลููมม แล้วหัวใจของพวกเขานอกจากว่าเขาไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺละวันบรูฮฺแล้วหัวใจของพวกเขาสงสัยเท่านั้นเดี๋ยวท่านยังไงจงวคนที่จะมามาขออนุญาตนี่ก็มีคนที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺละวันบรูฮฺและหัวใจมีขอ้อสงมีความสงสัยเท่านั้นคนอื่นที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺละวันศรัทธาต่อวันบรโฮกแล้ว่าหัวใจไม่มีข้อสงสัยเขาจะไม่มาขออนุญาต เจากันนบีสุลลัลลอฮุอะลัยสัตฟะฮฺว์ฟะฮฺม์ฟะฮฺม์ฟะฮฺม์ฟะฮฺม์ฟะฮฺม์ฟะฮฺมะฮฺม์ฟะฮฺม์ฟะฮฺม์ฟะฮอม์ฟะฮฺม์ฟะฮฺม์ฟะฮฺม์ฟะฮฺม์ฟะฮฺม์ฟะฮฺมะฮฺม์ฟะฮฺม์ฟะฮฺม์ฟะฮฺม์ฟะฮะ์ แล้วก็มูมินทักใบเนี่ยเขาไม่มีนะข้อสงสัยเกี่ยวกับอัลลอฮ์เกี่ยวกับพระสูรเกยวกับกุรานมีไหมทุกใบมีสิมีมีเมีมันเป็นเวรสทุกคนจะมีเอาแล้วแงั้นเราเป็นมุนาเวก็ไม่ใช่ข้อสงสัยนี่ฟังให้ดีนะข้อสงสัย ที่มันทําให้เราเนี่ยลังเลใจในการน้อมรับบัญชาจากอัลลอฮฺสุบฮ า, านาวาตาละมาซีก็ฉันงสงสัยว่านนี่ห น, นังม้วนนี้เนี่ยมันใช่หรือไม่ใช่แล้วฉันจะไปลงทุนละมาทําไหมหนังทั้งม้วนนี่ฉันยังไม่โอเคยังไม่ยังไม่ชัดนฉันจะไปลงทุนละมาทําไมอันนี้ ข้อสงสัยที่ทำให้เขาเนี่ยไม่เต็มใจที่จะปฏิบัติตามคำสัง่งนี่นี่คือการสงสัยที่ชินโตมันเป็นเรื่องใหญ่ละปัญหาใหญ่แต่ถ้าหากว่ามุมินเนี่ยเขามีข้อสงสัยแต่ดูนี่วิธีชีวิตของเขาเนี่ปฏิบัติตามคำสังส่งสอนทุกอย่างนี่นี่แสดงว่าข้อสงสัยนี่มันเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วแล้วก็ไม่ต้องให้ความสาคัญ จึงจะอธิบายได้ว่าท่านนาบีสุลต่านละสัลลัมรู้อาหรับนีส่วนมากนี่นื้อพื้นฐานของเขาในศรัทธาต่ออโลนปะรโลกอยู่แล้วเพราะมันเป็นเชื้อศาสนาของท่านนาบีอิบราฮมและนบีก็เห็นใจว่าอาหรับในช่วงแรกตอนที่ท่านนาบีเทศนาช่วงแรกท่านนบีก็ยังอ่อนแอ แล้วก็พวกกุเรชพวกมักกะเนี่ยเขาก็ข่มคนอื่นเนี่ยใครที่จะไปเชื่อมุฮัมมัดเนี่ยโดนเล่นงานแน่นอนนบีก็เห็นใจเนี่ยชาวอาหรับนี่ในยใครคิดจะมาสมทบท่านนบีเนี่ยโดนเล่นงานเลยแต่พอท่านนบีได้รับชัยชนะแล้วแล้วก็พิชิตมักกะแล้วอะนะก็มีอาหรับบางคนเนี่ยอาหรับบางคนเนี่ยนบีเชิญชวนรับอิสลามครับนบีครับแต่ผมหัวใจผมเนี่ยยังยังสงสัยอะไรบางอย่าง นบีชั่นชวนเขากข่าวละอิละอิลอห์แอบอิสลามนบีเ็ยังยังยังสงสัยนบีก็บอกว่าข่าวถึงแม้ว่ามีข้อสงสัยนี่หมายรวมที่ผมได้อธิบายข้างต้นนี่ว่าข้อสงสัยที่ทุกคนได้มีนี่คือเราใจคนข่าวละอิละอิลอห์หอเปมุสลิมเนี่ยจะต้องไม่มีข้ออิมานเขาต้องเหมือนจิบรีเลยเหรเหมือนท่านจิบรีนี่เห็นตัวฮันเนีนอัลลอฮ์ทุกหรืออิมานเหมือนท่านนบีเลยล่ะ รับว่าอยู่เนี่ยมันเป็นไปไม่ไ ด, ด้เป็นไม่ได้เราสัญชาติญาณของมนุษย์ตัวไปเนี่ยมันก็ต้องเบียดอะไรเล็ก ๆ, ๆน้อยๆอนนญญาามอไม่อภัยนะศาสนาเนี่ยมันก็ไม่ไม่ได้มาในหัวใจของเราเนี่ยโอ้โหต้องขาวสะอาดไม่มีเว็บเว็บอะไรเลยเปนไปไม่ได้อันที่จริงเนี่ยไอ้สิ่งที่แวนะ็บเนี่ยข้อสงสัยต่าง ๆ, ๆนะอันนี้คือบททดสอบอัลลอฮ์อยากจะรู้ว่าเออเราเนี่ยต่อสู้กับมันหรือเปล่า เราปล่อยหัวใจเนี่ยให้หลังเลตามข้อสงสัยนี้ไปและอีกเหตุผลนหนึ่งว่าในบันทึกของอิมามอัมมัดอา랍 อ, า บ, อา บ, บางคนนี่คือชีวิตของเขาเนี่ยชินชินกับอะไรชินกับวิถีชีวิตที่มันไม่คือมันไม่มีข้อผูกมัดอะไรเยอะแย ะ, ยอะงอย่างเช่น อาหรับเนี่ยเหมือนคนไทยนะศีษะนี่อันนี้อันนี้เรื่องสูงเรื่องสูงแต่ประเพณีปฏิบัตินี้ไม่เหมือนกันคนไทยนี่หัวนี่จับไม่ได้นะถ้าผู้ใหญ่เนี่ยไปจับหัวคนอยู่โอ้เสียมารยาทเนี่ใช่ไหมไปทําอะไรหัวหัวนี่ไม่ได้แต่อาหรับนี่ อาลัคือการให้เกียรติสูงสุดนี่ก็คือไปจับหัวแล้วก็อุจจบที่ศีระคนไทยนี่ถือว่าหัวนี่ใหญ่ที่สุดนะแต่กราบไหว้ทุกสิ่งทุกอย่างทําได้คือหัวนี่จะกราบไปก้มไปกราบทุกสิ่งทุกอย่างอะไรต่อเมี่อะไรเกราบหมดเลยมห็นเคยแถวบ้านผมนี่เจองูเหลือมจ้าวหอุยนี่มาไหว้กันใหญ่เลยอะไร ลืมเออคือบ้านเรานี่ถา้าอะไรแบบสวยๆงามๆใหญ่ๆเนี่ยต้นไม้เกา่าๆนี่มาแล้วพันแล้วใช่เออมันเนี่ยรดับนี้ไม่ได้นะอารับนี่หัวนี่เนะ่จะมาก้มไม้ใครนี่ไม่ได้เลยพี่ก้มไม่ได้เลยเพราะนพีบอกว่า ให้รับอิสลามนี่ต้องละหมาดนี่ยมละหมาดนี่ต้องมีรุกัวต้องมีสุญูดต้องมีสุญูดอันดับบางคนเนี่ยพวกที่มีชั้นดานนี่เนี่ยกุ้มก้มดิงเลยท่าพีผมได้รับอิสลามเนี่ยผมยอมรับอิสลามนี่เลยเลยไม่มีปัญหาแต่ผมขอยกเว้นหนึ่งเดียวได้ไหมผมไม่อยากสุญูดไม่อยากรุกัวนี่เป็นเราเนี่ยถ้ามีใครมารับอิสลามเนี่ยเช็คผมขอรับอิสลามนะแต่ผมขอ ไม่รู้ว่าไม่สุดขุ อ, อท่านก็ไปก่อนานะก็ไปปรึกษาไปเรียนรู้ไปศึกษาคือเราหนีใจแคบกว่าท่านนาบีในบรรทึกขอายามันเนี่ยท่านนาบีอะไรเนี่ยทำไมเพราะนาบีเห็นใจเห็นใจสิ่งแวดล้อมที่มันบิดเบือนสัญชาตญาณของของมนุษย์เนี่ย จนเอาเรื่องความรู้สึกส่วนตัวนี่มาวิจารเรื่องศาสนาเรื่องอะไรนี่คุณเนี่ยไปขับว่าอย่างอื่นสมรพสิ่งอื่นๆนี่ไม่ได้นี่ใช่แต่นี่ขับว่าพระเจ้านี่มันสมควรขับว่ายพระเจ้าสาธายเรานี่เรียกพ่อแม่ผู้บังเกิดก้าวและนี่คือเหตุผลนะ่ยผู้บังเกิดเก้าวนี่ก็หมายถึงว่าก็ต้องเอาเก้านี่ไป ไปกล่าวกลาวพ่อแม่ใช่ไหมทำไมเนี่ยก็เป็นผู้บังเกิดก้าวก็ะหมายมึงว่าพ่อแม่นี่ทําให้เราเกิดขึ้นบังเกิดขึ้นมาเนี่ยจึงเป็นเหตุผลในธรรมเนียมของคนไทยเนี่ยนะกลาบพ่อแม่ได้ใช่ป่ะแล้วถ้าเขารู้จักว่าเออมีพระเจ้านะที่สร้างทั้งพ่อแม่ทั้งลูกนี่ทั้งหมดเนี่ยเราสร้างทั้งหมดเราจะไม่กลาบไหวพระเจ้าแบบนี้ได้เลย ในบริบทของสังคมของเราเนี่ต้องอยอมรับนะอะไรบางอย่างที่มันเป็นสิ่งแวดล้อมที่มันบิดเบือนธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยสมมติว่ามีคนมาขอรับอิสลามผมขอรับอิสลามแต่แต่ผมยังเลิกเล่าไม่ได้เออรับโรับดูดเลอกเองผมขอรับอิสลามแต่ยังเที่ยวกลางคืนเลิกไม่ได้ ดูพอลิมความหวานของอิสลามเนี่ยไอายการเที่ยวกลางคืนนี่มันก็จะเป็นเรื่องขมไปหมด เ, เรื่งผมรับอิสลามแต่ยังเลิกซื้อหวยลอตเตอรี่ไม่ได้มันต้องซื้ออะมันอยู่นี่บอที่สิบห้ากับบอที่สามสิบนี่ไม่ได้เลยอะอะ รับอิสลามแล้วกันตัวเองก็จะเลือกเองะรับอิสลามเป็นมุสลิมเป็นมุสลิมซื้อหวยดีกว่าไม่ได้ไม่ได้รับอิสลามเลยแล้วก็ซื้อหวยด้วยอันไหนดีกว่าเออเบาเอาที่มันหนักที่สุดเนี่ยให้มันลดไปก่อนแล้วถ้าอิสลามนี่แก่นของอิสลามนี่ผมมันทะลุไปถึงหัวใจอะนะชำระหมดเลยอิสลามนี่เป็นผงสักฟอกที่สามารถทําหน้าที่ด้วยตัวเองแต่ต้อง ต้องปล่อยให้อิสลามนี่มาซักฟอกนะปล่อยดีเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำยามันเข้าน้ำมีอะเสียเข้ามาแล้วมันล้างเองล้างเอ ง, ง, เองทุกอย่างอันนี้เป็นบทเรียนอย่าไปแข็งแทนอิสลามเกินกว่าคำสั่งสอนจะมีใครจะรับเวลาเราไปนี่นี่เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นจริงบ้านเราเลาเผยแพร่ อ, อิสลามนี่คือเราสอนหลักการศาสนานี่มันต้องจำแนกด้วยนะ อะไรบางอย่างนี่เราอย่าไปตั้งเป็นเงื่อนไขทางทั้ ง, งมันไม่ได้เป็นเงื่อนไขในการรับอิสลามรับอิสลามเงื้อไข ไ, ม, ข ไ, ขไ ม, ม, ม่ต้องเลิกเหล้าเป็นเงื่อนไข้ไหมหมายถึงว่าถ้ารัอิสลามต้องเลิกเหล้าก่อนเป็นเงื่อนไข้ไหมไม่ทําไมอ่ะแต่ก่อนนู้นน่ยมีโรงหมักเหล้าอยู่แถวเจ้าพญาโน่นนะแถวมันมีอยู่สามหม้อที่เขาหมักเหล้าเนหัวกอ่อนเนี่ยหม้อในงานเนี่ยของแขกพอแขกนี่ก็กิกนเหล้าเก่งกัน มีอะมุสลิมที่ไม่คินแล้วเลยก็มีมื อ, มอมกันนะ่ะเราจะบอกคนที่จะมารักอิสลามโอ้ตรงเล็กเล่าก่อนใครบอกว่าเงื่อนไขว่าตรงเล็กมันเป็นเรื่องบาปก็จริงแต่มันไม่ได้เป็นเงื่อนไขอิสลามเนี่ต้องมาสซเยวีก่อนต้องตัดสุนัตก่อนต้องคิบก่อนมันเจ็บขอที่หลังไว้ไม่ได้มันไม่ซอมอันนี้มีจริงนะนี่ผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ล้อเล่นนะมันมีจริงนะ โต้ครูบ้างบางคนเชื่อแบบนี้เนยะไม่ซ่อนนะถึงขนาที่โต้ครูเชื่อวะเด็กเนี่ยเด็กที่ยังไม่ได้ตัดยังไม่ได้ขิดอ่ะนะมายืนในซอกนี่ไม่ได้ทําไมอนะ่พะพอเขายังไม่ขิดนี่แสดงว่าเขายังเนื้อดิซยังละหมาดไม่ซอกและอยู่ระหว่างซอกนี่มันทําไม่ซอกขาดเฮ้แล้วความเชื่อบระนันระานะมาจากไหนก็ไม่รู้เนียเชื่อกันมาเรื่อยๆอย่างนี้ ม่มีเรื่องนี้ไม่มีเลยสมัยท่านนาบีเนะี่ยอิหมามอายุเ็ดขวบเนี่ยังไม่ได้สุนัตแน่นอนอิหมามอะไรให้อายุเจ็ดขวบยังเป็นอิหมามได้นี่เราบอกว่าเจ็ดขวบนี่มายืนซอกหลังอิหมามไม่ได้สรุปแล้วเรื่องข้อสงสัยเนี่ยมีไหมทุกคนเนี่ยมีที่มันจะเป็นภัยต่ออิสลามต่ออิหมาน ที่เราขยายข้อสงสัยนี่ให้ให้มันมีอิทธิพลเหนือเจตนารมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งพอไปละหมาดเฮ้ยเรื่องอะไรจะละหมาดจะไปทุ่มดีลงทุนแล้วก็ฉันยังสงสัยอยู่อา้าวก็ไม่ละหมาดนี่ข้อสงสัยแบบนี้นี่ที่มันพายเป็นภยัยข้อสงสัยที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าทำแล้วมันไม่คุ้มนี่ Thinking, มันก็มีหลายระดับนะทําล้มีคุ้มอันนี้แสดงว่าข้อสงสัยนี้เนี่ยที่เป็นภัยแล้หลังจากนี้ก็จะเป็นการโต้ตอบเปิดเผยพฤติกรรมของมุนาฟิกินเรื่อยๆนะครับอินช่าลอโดยยุยยัเบยอตดนานะครับอินช่าลอว่าซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะลัยฮิวะซัลลัมอะลัยวะ